1.12 หัวใจของการปฏิบัติคือการรู้สึกตัวหัวใจของภาคปฏิบัติคือการรู้สึกตัวส่วนในภาคปริยัติหลวงพ่อพุทธาทาสท่านเป็นอริยะท่านสรุปออกมาในภาคปริยัติสิ่งที่เป็นแก่นคำสอนในาศาสนาพุทธท่านบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะจุดจุดทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นปิดเครื่องหมายคาพูด แต่ในภาคปฏิบัติอยู่ๆจะไม่ยึดมั่นไม่ได้เพราะใจยังยึดมัน่นสิ่งที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเราจะตื่นขึ้นมาทำอย่างไรเราจะเกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงขึ้นมาถ้าไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะทำกรรมฐานใดๆขึ้นมาอย่างมากที่สุดได้แค่สมถกรรมฐานอย่างเลวลงไปก็ได้แค่การบังคับกดข่มทรมานกายทรมานใจแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวจึงเป็นแก่นเป็นหัวใจที่สำคัญ ต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องรู้สึกตัวให้ได้ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาก่อน